เห็นพระบูียวนั่งคุยอยู่กับท่านพระครูนายจอยให้ดีใจยิ่งนักกราบท่านสามครั้งแล้วพูดว่าผมคิดถึงลุงพี่เหลือเกินนี่ก็ว่าเสร็จธุระแล้วจะแวะไปกราบเยี่ยมดีใจจริงๆที่ได้พบยมจอยมาตั้งแต่เมื่อไรยมจุกละ่ะสบายดีหรือหายไปหลายเดินเลยนะพระหนุ่มทักทายสองสามีพัญญาลงพี่ดูอ้วนขึ้นนะจ๊ะ ยนสำเร็จหรื อ, อยังจ๊ะสำเร็จอะไรล่ะโยมสำเร็จมรรคผลนะจ๊ะหลวงพี่จวนสำเร็จหรื อ, อ ย, ยังยังหรอกโยมยังอีกไกลเชียวแหละนี่ก็ถูกลุงพ่อท่านตาหนิว่าปฏิบัติไม่ก้าวหน้าท่านชิงบอกเสก่อนก็ยังดีกว่าให้ท่านพระครูเป็นผู้บอกเพราะจะทำให้ท่านต้องเสียหน้ามากกว่านี้ เธอจะน้อยอกน้อยใจไปใหญ่นะบวเหียวฉันติเพื่อก่อตังหาฉันรู้ว่าเธอเป็นคนบ้ายอถ้าฉันชมเธอเธอก็จะคิดว่าตัวเองเก่งแล้วดีแล้วก็เลยไม่ขวนขวายทำความเพียรจริงไหมละ่ะท่านเจ้าของกุฏิชี้แจงพระบวเหียวรู้สึกใจชื้นขึ้นเป็นกอง จรงถือโอกาสยั่วพระอุปชาว่าผมเพ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่ลุงพ่อติผมเป็นเพียงอุบายแถานั้นใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก็ไม้ความว่าลุงพ่อเป็นบุคคลผู้มากโดยอุบายเธอจะหาว่าฉันมากเล่เพททุบายใช่ไหมละ่ะท่านเจ้าของกุฏิรู้เท่าทันหาไม่ได้ครับ ผมจะบังอาจว่าพระอุปชายอย่างนั้นได้ยังไงหลวงพ่อเห็นผมเป็นคนเนรคุณไปแล้วหรือครับพระโบเหวี่ยดได้ชื่อว่าเนรคุณพระอุปชายาจารย์หรือครับนี่หลวงลุงกับหลวงพี่จะโต้คารมกันอีกนานไหมครับท่านนานผมจะได้ขออนุญาตหลับรอในจ่อยขัดขึ้นเมื่อเห็นว่าภิกษุสองรูปต่างก็มีคุณสมบัติช่างเจรจาไม่ย่อหย่อนก่อกัน พอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนหรือไงเองนี่ไม่ไว้เลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าคนขี้เกียจใช่ไหมจุกท่านพระครูหันมาเล่นงานลูกชายของพี่สาวพี่จอยเขาไม่ขี้เกียจรอกจาหลงนะ้าเขาข ย, ยันทำมาหากินใครๆก็ออกปากชมกันทั้งนั้นนางจุกแก้ต่างให้สามีสแสดงว่า มันเพิ่งจะขยันตอนมีเมียสมัยที่อยู่กับข้ามันขี้เกียจยังกะอะไรดีท่านเจ้าของกุฏิไม่ยอมแพ้เห็นหลานสะพ้ยไม่เข้าข้างจึงถือโอกาสเล่าเรื่องในอดีต ท, ที่พาดพิงไปถึงหล่อนว่าคิดถึงตอนนั้นแล้วข้ายังนึกคําไม่หายสองคนหน้าหลานเทข้าวทิ้งน้าทุกวัน ระรังเกียจขี้มูกเองเอ็งทำให้ข้าต้องผิดวินัยข้อไม่ขอรบบิณฑบาตโทรหลงนะเรื่องมันผ่านไปเป็นสิบปีแล้วยังจะขุดขึ้นมาเล่าอีกนางจุกชักโมโหกโกรธาพระโบุเฮียวได้โอกาสแก้แค้นจึงว่านันสิยมลุงพ่อพึงสอนอัตมาอยู่ย ก, ยกว่าไม่เหละห้อยหาอดีต ไม่หวาดหวังอนาคตจงกำหนดอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นยังไม่ทันไรลุงพ่อลืมซะแล้วโอ้โหสนุกกันใหญ่ช่วยกันตะลุมบอนฉันอยู่คนเดียววันนี้วันอะไรนะฉันถึงได้ดวงตกขนาดนี้ขาหักและยังมาถูกคนเขารุมว่าท่านเจ้าของกุฏิโอดครวนใจจริงนั้นรู้สึกอบอุ่น ที่คนใกล้ชิดทั้งในอดีตและปัจจุบันมาชุมนุมกันพร้อมหน้าวันพฤหัสบดีขึ้นเจ็ดค่ำเดือนสี่ปีขานครับนายสมชายหันไปอ่านปฏิทินที่แขวนอยู่ข้างฝาท่านเจ้าของกุฏิหันไปมองลูกศิษย์แล้วค้อนงามๆหนึ่งวงนายจ่อยอวยวายว่าตายลุงนาะค้อนก็เป็นด้วยนี่เพราะอยู่ใกล้เจ้าขุนทองใช่ไหมครับ นายสมชายรีบสนับสนุนว่านั่นสิครับพี่จ่อยหลวงพ่อพูดเสมอว่านายขุนทองมาอยู่รับใช้ใกล้ชิดท่านจะได้หายเป็นกระเทยไปไปมาๆหลวงพ่อกลับจะมาเอายิ่งอย่างเจ้าขุนทองเสียแล้วอะไรอะไรใครเอายิ่งอย่างใครในายขุนทองเข้ามาได้ยินพอดีเขาเลือกนั่งตรงหัวบันไดด้วยไม่มีที่จะนั่งเพราะความคับแคบของห้อง ดีจริงจริงมากันพร้อมหน้าพร้อมตาดีจริงเอาเลยพากันเล่นงานข้าเสียให้สมแขนท่านพระครูประชดหลุงลุงกำลังถูกเล่นงานหรือฮะแน่ละสิเอ็งจะช่วยข้าหรือเปล่าละ่ะท่านหาพววช่วยสิไม่ช่วยหลุงลุงแล้วหนูจะไปช่วยใครละ่ะ หลานชายว่าครั้นมองไปที่ถุงกระดาษสีน้ำตาลซึ่งวางอยู่บนตักนางจุกจึงพูดใหม่หนูอยู่ฝ่ายพี่จุกดีกว่าเพราะเป็นผู้หญิงเหมือนกันพี่จุกอยู่ฝ่ายไหนหนูก็อยู่ฝ่ายนั้นอ้าวไงเปลี่ยนใจเร็วนักละ่ะว่าแต่ว่าที่ขึ้นมานี่มีธุระอะไรกับข้าหรือเปล่าท่านพระครูถาม ไม่มีรอกห่อหนูนั่งนงนอนนอนอยู่ในห้องรู้สึกเซ็งเลยลองขึ้นมาฟังดูสิว่าคุยเรื่องอะไรกันบ้างและที่สำคัญคืออยากจะรู้ว่าพี่จุกทำยังไงถึงได้ถูกระงวันที่หนึ่งยมจุกถูกรางวัลที่หนึ่งหรือพระโบหยวถามจ่ะหลวงพี่เรื่องมันประหลาดมากฉันว่าจะมาเล่าให้หลวงนาฟังนางจุกตอบ ท่านพระครูจึงว่างั้นก็เล่าได้เลยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วนี่หรือว่าจะไปตามโยมเข้ามาฟังอีกคนท่านหมายถึงอาจารย์ชิดอย่าเลยใจหลงนะตัวเกมเหม็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกลิ่นหนูตายฉันคงทนไม่ได้ยิ่งห้องแคบๆอย่างนี้ฉันคงเป็นลมซะก่อนที่จะเล่าจบพัญญาใใจจอยว่า ลุงลุงค่อยเล่าให้เรฟังทีหลังก็ได้นี่ฮะนายขุนทองตัดสินเขาเองแม้จะชินกับกลิ่นนั้นแต่หากเลี่ยงได้ก็อยากจะเลี่ยงตกลงเมื่อจะเอาอยัางงั้นก็ตกลงเอาละ่ะเอ็งเล่าไปเลยจุกเรื่องมันประหลาดมากจ้าลงนะนางจุกอารัมพบทนี่เอ็งพูดอย่างนี้ สามครั้งแล้วนะท่านพระครูขัดขึ้นพูดยังไงจ๊ะนางจุกชักงงก็พูดว่าเรื่องมันประหลาดมากนะสิโทหลวงนะก็มันประหลาดจริงๆนี่นาะหล่อนเถียงงั้นก็เล่าไปเลยเล่าไปเสกก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเรื่องอะไรหรือหลวงนะ ก็เปลี่ยนใจไม่ฟังเองเล่าไงละ่ะท่านเล่นตัวงั้นฉันก็เปลี่ยนใจไม่เล่าหล่อนถือโอกาสเล่นตัวบ้างนายขุนทองต้องขยันขยอว่าเล่าเธอาะพิจุกหนูอยากฟังใครไม่อยากฟังก็เอามืออุดหูไว้เขาประชดผู้เป็นลุงอาตมาเขาฟังโดยคนพระบุหียวเว้าซื่อผมด้วยครับ นายสมชายพูดบ้างข้าในฐานะเจ้าของห้องถึงจะไม่อยากฟังก็ต้องฟังท่านเจ้าของกุฏิพูดเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งถ้างั้นเราลงไปเล่ากันข้างล่างดีไหมนายจ่อยชวนอย่าเลยฉันเ็นลุงคนนั้นคนเป็นเมียว่าพวกเองเป็นอะไรกันไปแล้วนี่ พูดจาะาเลอะเรือนล่ามป้ามกันอยู่ได้เอาละเอาละ่ะจะเล่าก็เล่าไปอย่ามัวโอเอท่านพระครูตัดบทอย่างรำคาญนางจุกจึงตั้งต้นเล่าเรื่องมันประหลาดมากจา้าลุงนะรู้แล้วรู้แล้วอิงพูดอย่างนี้มาสี่หนแล้วท่านพระครูขัดขึ้นเอาอีกแล้ว หลงนะ้าขัดคอฉันอีกแล้วเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วก็มาหาว่าพวกฉันพูดจาละเลือนล่ามป้างนางจุกต่อว่าและได้รับเสียงสนับสนุนจากผู้ที่นั่งอยู่ณที่นั้นทุกคนยกเว้นพระโบเหียวผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้สึกสงสารพระอุปัชฌายาจารย์เอาเถอะเอาเถอะทีนี้ข้าไม่ขัดคอเองแล้วเล่าต่อไปสิว่า มันประหลาดยังไงเรื่องมันประหลาดมากจ้ะหลงนะหล่อนพูดประโยคเดิมอีกคราวนี้คนฟังต่างพากันเห็นคล้อยตามท่านพระครูว่าคนเล่าพูดจาซ้ำซากๆน่ารำคาญแล้วก็น่าขัดคอจริงๆนั่นแหละครั้นไม่มีผู้ใดขัดคอคนเล่าจึงพูดต่อเมื่อเดินที่แล้วนี่เองขณะที่ฉันนั่งเย็บเสื้อโหลอยู่ในร้านของฉัน ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับร้านขายกาแฟฉันก็เห็นตัวเงินตัวทองคลานมาที่หน้าร้านกาแฟเป็นยังไงตัวเงินตัวทองที่ว่าน่ะนายสมชายถามนายจอยจึงอธิบายแทนคนเป็นเมียว่าตัว ค, คล้ายๆกิ่งกาแต่ใหญ่กว่าหลายสิบเท่าดูเพลินๆคล้ายน้องจระเข้จะเรียกว่าพี่กิ่งกาหรือน้องจระเข้ก็ได้อ๋อ ตัวเฮียนายขุนทองพล่งออกมานั่งจุกจึงว่าถูกแล้วแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายชันสอนไว้ว่าให้เรียกตัวเงินตัวทองทีนี้คนขายกาแฟนั่นก็ไล่ใหญ่แต่ผัว ก, ก็ไลย่ยายเมียก็ไล่เสียงดังไปไอ้ตัวเฮียไปให้พ้นตัวเงินตัวทองเขาก็ไม่ไปแล้วยังคลานเข้าไปในร้านเสียงเมียร้องว่าตายแล้วสวยตายเลยกูตัวเฮียเข้ามาในร้าน ส่วนผัวก็เอาน้ำร้อนในหม้อที่ใช้สําหรับชงกาแฟขายราดลงบนตัวเขาเขาคงร้อนเลยวิ่งหนีมาเข้าร้านฉันฉันกลัวก็กลัวเขามาฉเฉงออยู่ต่อนหน้าฉันฉันก็ปลดใส่สร้อยหนักสองสลึงโยนใส่เขาปากก็ว่าเงินไหลนองทองไหลามาพร่ำอยู่อย่างนี้ยกมือไหว้เขาด้วยเขาก็ยังไม่ไปฉันก็มีเงินอยู่ห้าบาทเป็นแบงค์สี่ใบ เหรียญ50สตางค์สองเหรียญฉันก็โยนใส่เขาพร้อมกับพูดว่าเงินไหลนองทองไหลามาเขาก็พองอกหัวและแลบลิ้นออกมาสักครู่ก็คลานไปที่หลังร้านฉันก็มองตามก่อนออกไปเขายังเอี้ยวตัวมาดูฉันแลบลิ้นแผลบๆลแ ล, แล้วก็ไปสักพักหนึ่งก็มียายซิมเอาลอตเตอรี่มาขายให้แกบอกเหลือใบเดียวช่วยซื้อแกหน่อยฉันก็บอก มีเงินอยู่แค่ห้าบาทถ้าจะช่วยก็ซื้อได้เสี้ยวเดียวแกบอกเอาไว้ทั้งใบแล้วกันแกก็ยัดเยียดให้ฉันจนได้ฉันก็เลยต้องเป็นหนี้แกอีกห้าบาทปกติฉันไม่เคยเล่นหวยนะหลงนาะไม่เคยซื้อแกเลยเพราะหลุงนาเคยสอนว่ามันเป็นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีแต่วันนั้นใหญ่ซิมแกมายัดเยียดฉันสงสารแกเลยซื้อไว โดยไม่ได้คิดไม่ได้หวังอะไรและฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าฉันถูกยายซิมแกเป็นคนมาบอกพี่จอยเขาก็เลยเอาไปซื้อรถโดยสารมาขับรับคนเขาเคยรับจ้างขับรถอยู่กับเท่าแกทีนี้เลยมีรถของเราเองเรื่องมันประหลาดมากใช่ไหมจ้าหลงนะหล่อนพูดประโยคเดิมอีกเออมันก็ประหลาดเหมือนกันแต่ไม่มาก เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมนั่นแหละแล้วสองผัวเมียที่ขายกาแฟเป็นยังไงบ้างท่านถามด้วยต้องการตรวจสอบทฤษฎีของท่าน mm. ก็แปลกอีกนั่นแหละหลวงนาะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาก็ขายไม่ค่อยดีแถมทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวันในที่สุดก็เลิกกันผัวไปทางเมียไปทางพัญญาในจ่อยเล่า นั่นไงตรงกับทฤษฎีของข้าทุกประการเลยเห็นไหมนี่กรรมสองผัวเมียได้รับกรรมทันตาเห็นเขาทำอกุศลกรรมก็เลยต้องมีอันเป็นไปทำครบสามเลยกายวาจาใจกายก็คือเอาน้ำร้อนเปนราดเขา วาจาก็ไปด่าเขาใจก็โหดร้ายต่อเขาส่วนเองก็ครบามเหมือนกันแต่เป็นกุศ ล, ลกรรมเองก็เลยถูกลอตเตอรี่แต่ถ้าจะดูให้ลึกซึ้งลงไปกว่านั้นข้าก็เห็นว่าเพราะเองทำบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเองใส่บาตรทุกวันถึงจะขี้มูกย้อยลงไปในบาตร ก็ชื่อว่าเองได้ทำบุญท่านพูดถึงอดีตของหลานสะพยเอาอีกแล้วหลวงนาะเอาเรื่องขี้โมกฉันมาประจานอีกแล้วเมื่อไหร่จะลืมลืมสักทีก็ไม่รู้หล่อนบนเธอหน้าพอาข้าตายข้าก็ลืมเองแหละท่านพระครูว่างั้นฉันคงถูกหลวงนะ้าประจานไปอีกหลายสิบปีเผลอเฉลยฉันอาจจะตายก่อนก็ได้ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกยังไงยังไงเองก็ไม่มีวันที่จะตายก่อนข้าเองเกิดทีหลังก็ต้องตายทีหลังสิมันก็ไม่แน่เสมอไปหรอกหลวงนาะมีออกทมเถไปที่พ่อแม่ไปงานเผาศพลูกหล่อนว่าท่านพระครูเห็นสมควรแก่เวลาที่จะบอกความลับเรื่องการมรณภาพของท่านให้ผู้เป็นหลานทราบ จึงออกอุบายว่าขุนทองเอ็งขึ้นมานานแล้วลงไปดูยงเขาสิเพื่อขาดหรืออะไรจะได้หามาให้เขาในขุนทองกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปหลานชายออกไปแล้วท่านจึงพูดกับนายจ่อยและพัญญาว่าข้ามีความลับจะบอกเอ็งสองคน แต่ยังไม่อยากให้เจ้าคุณทองมันรู้เดี๋ยวก็จะไปบอกคนหมดวัดยิ่งปากสว่างอยู่ด้วยลวงนามีอะไรจะบอกผมกับจุกหรือครับมีสิฟังให้ดีนะเองสองคนไม่ค่อยจะมาให้ข้าเห็นหน้าเห็นตายิ่งมีรถใหม่ก็ยิ่งจะไม่มีเวลามาข้อนั้นข้าไม่ว่าหรอก เพราะเองต้องทำมาหากินแต่จำไว้นะวันที่สิบสี่ตุลาคมสอง1้ายอดให้มาหาข้าหน่อยมาตอนไหนครับเช้าหรือบ่ายถ้าอยากเห็นข้าตอนเป็นก็มาแต่เชา้าแต่ถ้าอยากเห็นตอนตายแล้วจะมาตอนบ่ายก็ได้ไมายความว่าอย่างไรจ้าหลวงนะ นางจุกถามก็หมายความว่าวันที่สิบสี่ตุลาคมสอง1คห้าอยี่สิบเอ็ดาจะได้รับอุบัติเหตุรถคว่มคอหักเวลาเที่ยงสี่สิบห้าจริงหรือครับนายจอยถามจริงหรือไม่จริงพอถึงวันนั้นเองอย่าลืมมาก็แล้วกัน เจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงตอบด้วยสีหน้าปกติแต่ผมว่าลุงพอต้องไม่ตายเอ้ยไม่มรณภาพครับผมหมั่นใจว่าลุงพอจะต้องไม่เป็นเช่นนั้นพระโบเฮียวขัดขึ้นด้วยความรู้สึกแสนรันทดผู้มีเมตตาธรรมสูงเช่นนี้จะหาได้ที่ไหนอีกมันเป็นกฎแห่งกรรมนะโบเฮียวใครเลย ื้้นไดแต่ผมไม่อยากให้หลวงพ่อมรณภาพนี้ครับพระหนุมแยงจะอยากหรือไม่อยากฉันก็ต้องตายเอาเถอะแล้วคอยดูกันไปว่าจะจริงอย่างที่เขาเตือนมาหรือเปล่าเขาหนะใครครับในอจถามเจ้ากํานายเวนน่ะสิ เอาละเลิกพูดเรื่องนี้กันได้แล้วขอให้เองจําไว้อย่างเดียวว่าข้าจะต้องตายในวันนั้นนางจุกร้องไห้กระสิบกระสิบข้างฝ่ายในจอยก็ตาแดงก่าท่านเจ้าของกุฏิจึงว่าเองสองคนไม่ต้องมาแสดงความโศกเศร้าล่วงหน้าไว้ก่อนหรอกอีกตั้งสีป่ปีข้าถึงจะตาย ลุงนะ้าไม่ตายไม่ได้หรือจ๊ะนางจุกอ้อนวอนฟังเมียเองพูดนะเจ้าจ่อยฟังเอาไว้ท่านบอกหลานชายครับผมกําลังฟังอยู่แล้วก็อยากจะพูดแบบเดียวกับเขาลุงนะ้าไม่ตายไม่ได้หรือครับเองสองคนนี่พอกันเลยอ IQ พอกันอย่างนี้นี่เอง อยยู่ด้วกันได้อคิวคืออะไรครับลงนะหลานชายถามคือภูมิปัญญาเองกับเมียเองมีภูมิปัญญาเสมอกันไม่มีใครสูงกว่าใครท่านพระครูอธิบายแกมประชดแล้วดีไหมครับนายจ่อยถามอีกดี แต่ดีสำหรับเองนะไม่ใช่สำหรับข้างั้นก็ดีไม่จริงนะสิครับหลวงนาะเพราะถ้าดีจริงจะต้องดีสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนใดคนหนึ่งในจ่อยพูดเหมือนนักปรชัชญาทั้งที่ไม่เคยเรียนปรชัชญาคิดเอาเองท่านเจ้าของกุฏิตอบด้วยครานที่จะต่อนัดต่อแนงด้วยผมคงไม่คิดแล้วล่ะครับ ชักปวดหัวแล้วว่าแต่หลงนาจะลงไปเจิมรถให้ผมได้ไหมครับเขาพูดธุระอย่าเลยครับพี่จ่อยหลวงพ่อท่านตั้งใจว่าจะไม่ลงไปไหนจนกว่าขาท่านจะหายเป็นปกติหลวงพ่อเสกแป้งแล้วให้หลวงพี่เป็นคนไปเจิมก็ได้นี่ครับสิทมวัดแนะนําด้วยความเป็นห่วงท่านพระครูดีเหมือนกันเพราะสองย่อมดีกว่าหนึ่ง หลวงพ่อก็คลังหลวงพี่ก็คลังก็เป็นคลังกําลังสองนายจ่อยว่าถ้าเองอยากจะให้คลังกําลังสามเองก็ต้องอยู่ในศีลในธรรมหากินด้วยความซื่อสัตย์สุดจริตและหมั่นปฏิบัติกรรมฐานเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงอบรมลูกชายของพี่สาวครับคนเป็นหลานรับคํา นายสมชายจัดการหาวัสดุอุปกรณ์มาให้มีขันจอกทำด้วยทองเหลืองดินสอพองและน้ำมันจันท่านพระครูหยิบดินสอพองใส่ลงในขันจอกใช้นิ้วบดจนเป็นผงแล้วเทน้ำมันจันลงไปผสมเสร็จแล้วจึงเสกด้วยคาถาเมตตามหานิยม เอาละ่ะเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคาถาจะศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่กับพลังจิตของผู้ใช้อันที่จริงข้าไม่อยากยุ่งกับเรื่องเสกเรื่องเป่านักหอกแต่ในเมื่อเองมาขอให้ทำก็ไม่อยากขัดใจเพราะอะไรอะไรก็สู้กรรมฐานไม่ได้เอาละ พระบัวเหียวช่วยไปเจิมให้เขาหน่อยนายจอยถือขันจอกบรรจุแป้งเสกลงบันไดไปตามด้วยพระบัวเหียวและนางจุครูใหญ่ๆภิกษุหนึ่งรูปกับคารวะสองคนก็ขึ้นมานายขุนทองถือโอกาสตามขึ้นมาด้วยเสร็จธุระแล้วผมเห็นจะต้องกลับลานายจอยเอ่ย อดใจหายไม่ได้เมื่อคิดไปว่าอีกสี่ปีเขาจะไม่มีหลวงนาอีกแล้วหลวงนาจ้าฉันมีของมาถวายจ้ะนางจุกพูดพร้อมกับหยิบถุงกระดาษสีน้ำตาลส่งให้สามีพี่จอยช่วยประเคนแทนฉันด้วยนายจอยจึงประเคนสิ่งนั้นให้ท่านพระครูอะไรของเองละ่ะ หลุงมน้าเปิดดูเองก็แล้วกันหล่อนว่านายสมชายกับนายขุนทองต้องเขมงขณะที่ท่านเจ้าของกุฏิหยิบสิ่งนั้นออกมาจากถุงเป็นรองเท้าหนังสีน้ำตาลหนึ่งคู่เองถูกรางวัลที่หนึ่งตั้งห้าแสนซื้อรองเท้าแตะมาให้ค่าคู่เดียวเองหรือจุกท่านสัพพยอกหลานสะพยด้วยความรู้สึก ทราบซึง้งในความตรณีที่เหนียวของหล่อนทั้งทราบซึง้งและทราบซึง้งคู่เดียวก็ตั้งแปดสิบบาทนั่นหลงนะแพงกว่าของฉันตั้งสิบเท่าฉันใช้คู่ละแปดบาทเองคนขี้เหนียวว่าของผมก็คู่ละ8ปดบาทเหมือนกันครับหลงหนะ้าในจ่อยเข้าข้างพัญญาเอาเถอะเอาเถอะข้าไม่ว่าอะไร จะกลับก็กลับได้แล้วข้าจะได้พักผ่อนสองสา ม, มีพัน ญ, ญาจึงกราบท่านสามครั้งแล้วลุกออกมานายสมชายกับนายขุนทองรู้สึกผิดหวังจนไม่มีเรี่ยวแรงที่จะลุกออกไปส่งเอาสิเอาไปแบ่งกันคนละครึ่งท่านพระครูพูดพลางส่งถุงกระดาษสีน้ำตาลให้นายสมชายโทรหลวงพ่อ ใครเขาจะใส่รองเท้าข้างเดียวศิทธวัดว่าอยู่ก็ไม่เอานั่นมันรองเท้าสําหรับผู้ชายหนูอยากได้รองเท้าส้นสูงนายขนทองว่างั้นกดถวายพระบูเหียวก็แล้วกันท่านพระครูตัดสินอย่าเลยครับลุงพ่อโยมจุกเขาตั้งใจถวายหลวงพ่อพระบูเหียวปฏิเสธ ก็ในเมื่อเขาให้ฉันมันก็เป็นของฉันแล้วฉันจะให้ใครมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันใช่ไหมละ่ะใช่ครับงั้นฉันให้เธอรองเท้าฉันยังดีอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ของใหม่ผู้พูดถือสันโดษแต่คู่นี้ราคาตั้ง80บาทนะครับคู่ของหลวงพ่อ แค่ส0สิบเท่านั้นนายสมชายแย้งที่จําได้เพราะเขาเป็นคนไปซื้อก็เพราะมันแพงนะสิแล้วฉันก็คิดว่าของแพงคงจะเป็นของดีเมื่อจะให้อะไรใครก็ต้องให้แต่ของดีๆ ด, ดังนั้นฉันจึงให้เธอไงละ่ะบัวเหียวประโยคหลังท่านพูดกับภิกษุหนุ่ม แล้วคนให้ก็จะได้บุญหรือครับเขาตั้งใจให้หลวงพอ่อแต่หลวงพ่อกลับมาให้ผมพระบเหียวพูดเพราะจิตของท่านไม่ถูกครอบงาด้วยโลภะได้สิได้สองต่อเลยแหละสมมุติว่าเขาให้ฉันเขาได้บุญห้าสิบฉันเอาให้เธอฉันก็ได้บุญห้าสิบคนให้คนแรกก็ได้บุญสองต่อ เขาได้บุญร้อยนะฉันได้ห้าสิบเขาได้ร้อยงั้นถ้าผมเอาไปถวายพระมหาบุญผมก็จะได้บุญห้าสิบลุงพ่อก็ได้ร้อยโยมจุกก็ได้ร้อยห้าสิบใช่ไหมครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นแต่ฉันว่าเธอเก็บไว้เป็นเที่ยระลึกดีกว่าอีกสี่ปีฉันก็ไม่อยู่ให้เธอเห็นหน้าอีกแล้วเวลาเธอใส่รองเท้า จะได้คิดถึงชั้นไงครับถ้าเช่นนั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีที่สุดอีกสี่ปีคอยเอาออกมาใช้ภิกษุวัยยตอบแล้วกราบลาเพื่อกลับไปปฏิบัติกรรมฐานอย่างกุติของท่าน